เจอุปาทาทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัยสาม้ยเจ็สิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุ ป, ปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุ ป, ปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่เป็นอุ ป, ปาทายรูปอาศัยหาไทยวัตถุกเกิดขึ้น สภาวะธรรมที่ม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตาสมุทฐานรูปที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและกตัตารูปที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สอง อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจใจได้แก่จิตตาสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทยรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตตาสมุทฐานรูปและกระตตารูปที่เป็นอุปาทยรูป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 สภาวธรรมที่มีเป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเป็นอุปาทัยรูปและอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองอรมาณะปัจจัยสาม้อเจ็ดสิบเอ็ดสภาวธรรมที่มีเป็นอุปาทัยรูป อาศ <um ัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราระอารมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยหาทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะ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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทัยรูป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 ละถึงอาศัยขันสองเพราะอนันตรปัจจัยมีสามวาระเพราะสมนันตระปัจจัยมีสามวาระเพราะสหชาตะปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยสาม้เจ็ดสิบสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่เป็นอุปาทยรูป อาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะอาศัยมหาปูตรูปหนึ่งสำหรับเหล่าอาญญศัยสัตตพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่ง มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะอัญญามัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุอาศ th ัยขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามและหาไทยวัตถุอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นเพราะอัญญะมัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทยรูป และอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองย่อ 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาระสุทไนยสยเจ4เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมาณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยมีสามวาระสหาชาตะปัจจัยมีห้าวาระ อัญญมัญญปัจใจมีห้าวาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอสิวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรมมปัจจัยมีห้าวาระวิปากสปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละห้าวาระสัมพยุติปัจจัยมีสามวาระวิปยุติปัจจใจมีห้าวาระอัติปัจจัยมีห้าวาระ นัตติปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสองปัจยะปัจญิยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจใจสามรอยเจ็ดสห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะ ขันที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยหาไทยวทัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนเหตุ ป, ปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานารูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะ อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสำหรับเหล่าอสัญญิสัตวพรหมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นโมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจชาและที่สหรคตด้วยอุทจจะอาศัยฝันที่สหโรคตด้วยวิจิกิจชาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่จิตตาสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นนหเหตุกระและถึงจิตตาสมุทฐานรูปและกระตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น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 ในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นเพราะนเหตุถูปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทยรูปและอาศัยหาทายวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองณอารมณปัจจัยเป็นต้น สามสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นเพราะณอารมณ์ณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปที่ไม่เป็นอุปาทยรูปอาศัยขันที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเพิ่มเพิ่มข้อความจนถึงอาศยสัญญาตรพรม มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตตะสมุทฐานรูปและกจจตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น พึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัยสัตยพรมสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะนารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะและถึงเพราะณอธทิตติปัจจัยมีห้าวาระ เพราะอนันตระปัจจัยมีสามวาระและถึงเพราะณอุปนิเสสยปัจจัยมีห้าวาระเพราะณปุเรชาติปัจจัยมีห้าวาระเพราะณปัจจาชาติปัจจัยมีห้าวาระเพราะณอาศุวนปัจจัยมีห้าวาระณกรรมปัจจัยสาม้็สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะณกรรมปัจจัยได้แก่ จำปยุตตเจตนาอาศัยขันที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะณกรรมปัจจัยได้แก่อุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐาน มีอุตุเป็นสมุฐานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสามและอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกมีอาหารเป็นสมุฐานมีอุตุเป็นสมุฐานเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปสองนวิปากปัจจัย สามเจ็ดสิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนะวิปากับปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเพิ่มเพิ่มข้อความจนถึงอาศัยสัตตพรมโดยในนี้มีสามวาระ ในสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นมูลณอาหารปัจจัย379สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะณอาหารปัจจัยได้แก่อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งของเหล่าอสัญญาสัตยพรมที่เป็นภายนอกซึ่งมีอุตุเป็นสมุทฐานและถึงมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้น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 มหาภูตรูปสามและอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งของเหล่าอ า, ญญาศัยเนสตาพรมที่เป็นภายนอกที่มีอุตุกเป็นสมุทฐานละถึงอาศัยมหาภูตรูปสองน้าอินทริยปัจจัยสามรอยแปดสิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนาอินทริยปัจจัยได้แก่และถึง อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนอินทริย์ปัจจัยได้แก่รูปปฏิวิตรินสีอาศัยมหาภูตรูปของเหล่าอสัญญาสัตตพรมที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นออปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนะอินทริยปัจจัยได้แก่และถึงอาศัยมหาภูต ร, รูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานหน้าชานาปัจจัยเป็นต้นสามอดสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูป อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะณชาณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยปัญจวิญญาณเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองของเหล่าอสัญญาสัตวพรมที่เป็นภายนอกซึ่งมีอาหารเป็นสมุทฐานมีอุตุเป็นสมุทฐานละถึงมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูป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 มหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งของเหล่าอสัญญสัตยพรหมที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทรฐานที่มีอุตุเป็นสมุทรฐานเกิดขึ้นละถึงอาศัยมหาภูตรูปสองกระตัตรารูปที่เป็นอุปาทยรูปและอุปาทยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้น พระนามข้าปัจจัยมีห้าวาระเพร ะ, ะ ร, ะระนามสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยเป็นต้นสาม้สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุ ป, ปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุ ป, ปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะณวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ใน ร, รูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเป็นออปาทายรูปเกิดขึ้น ละถึงอาศัยขันสองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งคองเหล่าอสัญญาสัตตพรมที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปเกิดขึ้นเพราะนักวิปิยตปจจัยได้แก่กระตัารูปที่เป็นอุปาทยรูปและอุปาทยรูปอาศัยมหาภูตรูปของเหล่าอสัญญาสัตตพรมที่เป็นภายนอก ที่มีอาหารเป็นสมุธฐานที่มีอุตุเป็นสมุธฐานเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทายรูปและที่ไม่เป็นโอปาทายรูปอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโอปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะนวิปิยุตตะปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสามและอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุธฐานที่มีอุตุเป็นสมุธฐานเกิดขึ้ น, นและถึง มหาภูตรูปสองและอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นสำหรับเราอาศัยสัตตพรมมหาภูตรูปสาและกระตัตรารูปที่เป็นออปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองและกระตัตรารูปที่เป็นออปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นเพราะโนนติปัจจัยเพราะโนวิคตปัจใจสองปัจยะปัจญิยะ สสังคยาวาระสุทไนยสามร้อยแปดนเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอารามณปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสัมนันตระปัจจัยมีสมวาระนอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสยปัจจัยมีสมวาระนัปเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระ ณปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระณเอาศวณฑปัจจัยมีห้าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระณอาหารปัจจัยมีสามวาระณอินทรียะปัจจัยมีสามวาระณชานะปัจจัยมีสามวาระนมคระปัจจัยมีห้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ โนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยมีสามวาระ 3. ปัจญานุโลมปัจจียะสามรอดณอารมณปัจัยกับเหตุปัจัยมีสามวาระณอธิปติปัจัยมีหวาระละถึงนกรรมปัจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจัยมีสวาระละถึงณสำยุตตปัจัยมีสามวาระ นวิบิยตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตตปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 4. ปัจยะปัจญิยานุโลม38มอห้าอารมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระ นิสยปัจจัยมีห้าวาระอุปานิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอายเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงมาาัคค ะ, ะ, ะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคธาตปัจจัยมีห้าวาระสาชาตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ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 สภาวธรรมที่ไม <ounced. S 1> ่เ <gameplay> ป็นอุปาทัยรูปทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระบทที่มีสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเป็นมูลมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระไม่มีข้อแตกต่างกันสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปทำสภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทัยรูป ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปและธรรมรทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณนะอารมณะปัจจัยสามปสเจดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปทำสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่จักขวิญญาณ ทำจักรยานตนะให้เป็นปัจจัยเก mm ิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม nah ่เป็นอุปาทายรูปทำอุทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที Про ่ไม่เป็นอุปาทายรูปทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ปัจจัยมีหนึ่งวาระเหมือนกับปฏิจจาวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทิยรูปทำสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทิยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทิยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่สหรูปด้วยจักรวิญญาณและทำจักขายตะเนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันธ์สองที่สหรคตด้วยกายวิญญาณขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทิยรูป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 สหชาตะปัจจัยมีห้าวาระอัญมัญญาปัจจัยมีห้าวาระนิษยาปัจจัยมีห้าวาระอุปนิสยาปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระอสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระพึงนับอย่างนี้ 2. ปัจจยปัจจนยะหนึ่งวิพังขวาระ นะเหตุปัจจัย389สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปทำสภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่ะเหตุปัจจัยได้แก่จกักขวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทัยรูปรำอทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะที่เป็นเนหตุกะและถึงโมหะที่สหรโคดวจิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุรรทจฉาทำอุปาทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปทาทัยรูปทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปทาทัยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทฐานรูปที่ไม่เป็นอุปทาทัยรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุ ซึงไม่เป็นอุปาทัยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกุกละทำมหาภูตรูปหนึ่งเพิ่มเพิ่มข้อความจนถึงอาศัญญสัตรพรมโมหะที่สหโรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทัจจะทำขันที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมีสามวาระ เหมอเือนกับปฏิจจวาระไม่มีข้อแตกต่างกันสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปทำสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุตก ป, ปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่สหรโครด้วยจกักรวิญ ญ, ญาณและทำจักรขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองที่สหรโครด้วยกายวิญญาณ ขันสามทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นโอปาทายรูปและทำฮาไทยวัตถุให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะโมหะที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรโคด้วยอุทจจะทำขันที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรโคดว้วยอุทจจะและทำฮาไทยวัตถุให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นเพราะเนอรรมณปัจจัยมีสามวาระ เพราะน Th ัสเสวนปัจจใจมีห้าวาระนักกรรมปัจจัยเป็นต้นสามเก้าสสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปทำสภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทยรูปทำมภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น พระนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาทำขันที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานและถึงมหาภูตรูปสองทำมหาภูตรูปสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระนกกรรมปัจจัยได้แก่ อุปาทายัยรูปทำมหาภูตรูปที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตตุเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทยัยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทยัยรูปทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยัยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสและอุปาทยัยรูปทำมหาภูตรูปหนึ่งและถึงที่เป็นภายนอก ที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตตเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำมหาภูตรูปสองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปทำสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอุปาทยรูปทำขันที่ไม่เป็นอุปาทยรูปและธรรมทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะนวิปากปัจจัยมีห้าวาระเพราะนอาหารปัจจัยมีสามวาระเพราะนอินทริยปัจจัยมีสามวาระนัชานะปัจจัยเป็นต้นสามรเกสอดสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปทำสภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนัชานะปัจจัยได้แก่จกขววิญญาณทำจกขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น กายวิญญาณทำกายยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยารูปทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยารูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณชาณปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่สะหรโคด้วยปัญจวิญญาณให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองของเหล่าอาศนิสสัตพรมที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐาน และถึงมหาภูตรูปสองทำมหาภูตรูปสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทัยรูปทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณชาณปัจจัยได้แก่กระตัตตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปทำมหาภูตรูปของเหล่าอสัญญาสัตพรมที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอุปาทยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทยรูปทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนัชานาปจจัยได้แก่มหาภูตรูปสามและกะตัตตารูปที่เป็นอุปาทยรูปทำมหาภูตรูปหนึ่งของเหล่าอสัญญสัตวพรมที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอู่ตุเป็นสมุทฐานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำมหาภูตรูปสอง สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปทำสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทยรูปและที่ไม่เป็นอุปาทยรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพรา ะ, ะาณฌานะปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่สหร์ครด้วยจักขคุวิญญาณและทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทมขันธ์สองและถึงเพราะณ ม, มัคคปัจจัยมีห้าวาระเพราะณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระ พระนวิปุวตปัจจัยมีสวาระเพระโนนัติปัจจัยมีสวาระพระโนวิคตาปัจจัยมีสวาระ 2. ปัจยะปัจญิยะ 2. ส, สังขยาวาระสุทไนัย392นเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอารมณปัจจัยมีสวาระนาอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงนกรรมปัจจัยมีหวาระ ณวิปากะปัจจัยมีห้าวาระณอาหารปัจจัยมีสามวาระณอินทริยปัจจัยมีสามวาระณชาณปัจจัยมีห้าวาระนมรคะปัจจัยมีห้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระการนับสองอย่างนอกนี้และนิสยาวาระพึงทำอย่างนี้ หกสิบเจ็อุปาทายทุกะห้าสังสัตธาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเป็นต้นสามร้อเก้าสิบสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดรักพกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดรักพกับขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทายรูปละถึงขันธ์สองเกิดรักพกับขันธ์สองในปฏิสนธิขณะยอ่อ เหตุต Ar Ar Ar Ar ุปัจมีหนึ่งวาระอรมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัติปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระปาวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระอนุโลมจบสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทิยรูปเกิดรกรวมกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทิยรูปเพราะนเหตุตุปัจได้แก่ขันธ์สามเกิดรกรวมกับขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทิยรูป ละถึงเปิดรัควกับขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุตุกะโมหะที่สะหรัควด้วยวิจิกิจจาและที่สะหรควด้วยอุทจจะเกิดรัคนกับขันที่สะหรัควด้วยวิจิกิจจาและที่สะหรคตด้วยอุทจจะย่อนเหตุตุปัจมีหนึ่งวาระในปฏิปฏิปัจมีหนึ่งวาระในปุรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระในปัจฉาชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาอเจวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปปะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะพะปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจญิยะจบการนับสองอย่างนอกนี้และสัมบยุตตะวาระเพึงทําอย่างนี้